เรื่องเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคุณนัทกรนะคะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของคุณนัทกรเองโดยเขาเป็นญาติสนิทที่รักแล้วก็เคารพเรียกว่าถือว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณนัทกรคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็ตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันแต่จะขอเรียกเจ้าของเหตุการณ์ว่าน้าสาวแทนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่คุณนัทกรย่างเข้าสู่วัยรุ่น คุณนทกรกับลูกของหน้าสาวเนี่ยสมมุติชื่อว่าน้องฮันค่ะสนิทกันมากเพราะว่าเกิดห่างกันแค่ไม่กี่วันเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็มักจะไปนอนที่บ้านของหน้าสาวอยู่เสมอเพราะว่าบ้านของน้าสาวเนี่ยเป็นเจ้าของเรือประมงรายใหญ่แล้วก็มีอาหารทะเลให้เด็กๆ ก, กินได้เยอะแยะมากมายด้วยความที่น้าสาวเป็นคนที่มีลูกน้องมากมาย ก็เลยมีอยู่คนหนึ่งค่ะที่นักเขยให้ความสนิทสนมแล้วก็ไว้ใจเป็นพิเศษชื่อว่าในหินในหินคนนี้อยู่กับเมียแล้วก็ลูกชายอีกหนึ่งคนเมียของในหินเนี่ยเป็นคนไทยแต่ไม่มีสัญชาติอยู่แถวเกาะสองคาบเกี่ยวกับจังหวัดระนองแล้วก็เมียนมาเมียของในหินชื่อว่านางทูบและแม่ของเธอก็เป็นชาวเขมรเหมือนกันค่ะครอบครัวของหน้าสาวอยู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งนางทูบ คนนี้เนะะี่ยค่ะตามสามีออกทะเลไปด้วยโดยเรือลำนี้นาเขยเป็นคนคุมเพราะว่าเป็นลำใหญ่ที่สุดแต่ว่ากฎของลูกทะเลคือห้ามเอาผู้หญิงแล้วก็ผาถุงลงเรือในกรณีที่ไปหาปลาเพราะว่าจะเกิดความซวยทำมาหากินไม่ขึ้นแม่ย่านางจะพิโรธแล้วก็ลงโทษให้มีอันเป็นไป ข่าวนางทูบลงเรือออกทะเลเริ่มดูหนาหูขึ้นแต่ว่าน้าสาวนี่เป็นคนจิตใจดีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังสนับสนุนให้ไปอีกเพราะเห็นว่าเขาช่วยกันทำมาหากินแต่หารู้ไหมคุณผู้ฟังว่าความดีของตนเนี่ยจะนำมาซึ่งเคราะไรจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกันเลยนะคะและนอกจากข่าวของนางทูบลงเรือแล้วค่ะก็ยังมีข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยลักลอบเป็นชู้กับนักเขยอีก แต่พอน้าสาวได้ฟังก็ยังคงเฉยอยู่เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้สามีเขาอยู่ด้วยตลอดแต่ว่าคํานินทาก็เหมือนไฟลามทุ่งแล้วค่ะไฟที่มันเผาไหม้จนร้อนรนวันหนึ่งน้าสาวก็มาปรับทุกข์กับแม่แล้วก็ญาติญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเจ้าของเรื่องก็คือคุณนัทกรกับน้องหันหรือว่าน้องฮันนี่เนี่ยลูกของน้าสาวเนี่ยก็แอบฟังอยู่ตลอด ทุกการสนทนามันเกิดความแค้นและคิดหาทางพิสูจน์ความจริงว่าเป็นอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าและยิ่งนักเคยมาช่วงหลังๆนี่เหมือนจะมีอาการเปลี่ยนไปคือไม่ค่อยอยู่บ้านอารมณ์ฉุนเฉียวและก็มักจะหลบสายตาจนกระทั่งคุณนทกรกับฮันนี่สองคนก็เลยหาวิธีสะกดรอยตามค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าจนวันหนึ่งค่ะในอำเภอก็มีการจัดงานทาบุญกลางบ้าน งานนี้จะจัดกัน2วันสองคืนเลยนะคะคุณนัฐกรกับฮันนี่ลูกของน้าสาวก็ขอตัวไปเที่ยวงานเพราะว่ามันมีรำวงตอนกลางคืนแถมบ้านของนางทูปเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณงานด้วยเดินไปแค่5้นาทีก็ถึงค่ะแต่ว่าบ้านค่อนข้างลึกซับซ้อนพอสมควรก็เลยทำให้ตามไม่เจอในคืนแรกแต่ว่าคืนถัดมาคืนที่2ก็รอเวลาให้ดึกกว่าเดิมเพราะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานและยิ่งดึกคนก็จะยิ่งเยอะ คุณนัทกรกับฮันนี่ก็รีบเดินไปทางบ้านของผู้หญิงคนนั้นอย่างเร็วแต่ครั้งนี้เจอค่ะคุณผู้ฟังแต่พอเดินไปถึงหน้าบ้านก็เกิดความรู้สึกกลัวแบบแปลกๆก็เลยเอื้อมมือไปดึงแขนฮันนี่และบอกให้กแลบบัแบบแบบแต่ว่าฮันนี่บอกไม่ยอมกระโดดถีบประตูจนเปิดออกค่ะคุณผู้ฟังค่ะพอประตูเปิดออกคุณนัทธากรบอกกับฮันนี่ว่ารีบเดินเข้าไปในบ้านเถอะแต่ความรู้สึกตอนนั้นข้างในบ้านนี่มันอับๆยังไงก็ไม่รู้มันขนลุก ก็เดินเข้ามาในบ้านก็ไม่เจอใครแต่ว่าได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งแล้วก็กระโดดออกไปทางประตูหลังบ้านนะคะสองคนก็เลยรีบวิ่งออกไปดูแต่ก็ไม่เจอใครค่ะก็เลยเดินกลับไปในงานอย่างหัวเสีย แล้วพักหนึ่งนะคะน้าสาวเนี่ยก็ให้คนงานเนี่ยมาตามคุณนทกรแล้วก็ฮั น, นนี่เนี่ยกลับบ้านนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็เห็นนะ้าเขยยืนอยู่หน้าบ้านค่ะแกมองสองคนแบบเคืองๆ อ, อารมณ์ฟึดฟัดนิดนึงนะ้าเขยบอกว่าเหมือนจะไม่สบายปวดท้องแล้วก็ให้เข้าไปนอนแต่พอเข้ามาในห้องก็แอบคุยกันเงียบ แต่สักพักได้ยินเสียงนักเขยออกจากบ้านไปอีกก็เลยคุยกันอยู่พักหนึ่งน้าสาวก็เลยเดินมาบอกให้เงียบๆคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรอย่าทักอย่าออกไปดูแล้วก่อนที่น้าสาวจะไปนอนนะคะน้าสาวก็เลยถามบอกว่าแอบตามไปบ้านผู้หญิงคนนั้นมาใช่ไหมสอคนนี้ก็เลยพยักหน้าน้าสาวก็เลยบอกว่างั้นมันคงรู้ตัวแล้วคืนนี้มันต้องมาแน่จําไว้ถ้าเกิดหรือว่าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยห้ามออกไปดูให้นอนให้นิ่งที่สุด คือบ้านณสาวนะคะจะมีนาฬิกาแบบโบราณอยู่ตู้หนึ่งค่ะมันจะตีบอกเวลาเมื่อถึงหลักชั่วโมงแล้วตอนนั้นก็ตีหนึ่งพอดีก็นอนไปสักพักนึงก็มีเสียงดังตึง้งอยู่หลังคาบ้านคือดังมากเสียงที่ว่ามันคล้ายกับคนตัวใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วก็ตกลงมาบนหลังคาเพราะว่าเป็นหลังคาสังกะสี ซึ่งบ้านของหน้าสาวเนี่ยมันจะมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าจะเป็นไปได้ยังไงถ้าคนกระโดดลงมาป่านนี้คงไม่ตายแล้วลหรอฮะแล้วใครล่ะจะอุตริปีนต้นมะพร้าวสูงขนาดนั้นในเวลาตีหนึ่งสักพักหนึ่งเอาอีกค่ะคุณผู้ฟัง สคนหันนี่แล้วก็คุณนัทกรเนี่ยตกใจจนนอนเบียดกันเข้าหากันกุมมือมองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่คิดว่าคงเป็นเสียงมะพร้าวหล่นแต่เสียงที่ว่ากลับดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามีคนกระโดดย่ําอยู่บนหลังคาเสียงนั้นดังอยู่แถวห้องน้าสาวบ้างแล้วก็มาดังอยู่ที่ห้องที่เด็กๆ2คนนี่นอนบ้างแล้วก็ไปห้องพี่สาวบ้างไปหน้าบ้านบ้างแล้วก็ดังอยู่ที่ครัว คือมันดังสลับกันไปเรื่อยๆค่ะจนคุณนัทกรกับลูกสาวของหน้าสาวเนี่ยนอนกอดกันร้องไห้ออกมาแบบไม่มีเสียงตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีแรงแม้กระทั่งจะดึงพ่อห่มมาคุมโปรงบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบคุณนัทกรหูอื้อตาลายไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเพลงในงานที่เปิดกันสะเทือนเลื่อนลั่นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าสาหรับคุณนักร บ, บอกว่ามันยาวนานมาก สักพักหนึ่งก็มีเสียงโบกเวกมาจากด้านนอกเป็นเสียงกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายตะโกนบอกว่าลิงลม้มลิงลม้มมันอยู่บนหลังคานน่นไปเอาแหมัดสายสินมาจับเร็วแล้วเสียงตึ้งที่ว่านั้นก็ค่อยๆไปดังอยู่ที่หลังคาบ้านคนอื่นแล้วก็ไกลออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเสียงสั่งเข้ามาในบ้านของชายแก่ที่น่าจะเป็นครูหมอบอกว่าคนในบ้านห้ามออกมาจนกว่าจะเช้า นาทีนั้นใครจะกล้าออกไปแล้วคะปวดจี่มากขนาดไหนยังไม่กล้าจะลุกขึ้นจากที่นอนเลยจนกระทั่งตอนเช้ากับผู้ผู้ใหญ่นับสิบคนก็จับกลุ่มคุยกันที่ลานหน้าบ้านของหน้าสาวก็ได้ความนะคะว่าคนที่ทําของอุบาทมาใส่หน้าบ้านน้าเนี่ยให้ช่วยกันหาของที่ว่าว่ามันถูกฝังอยู่ที่บริเวณนอกชายคาบ้านตรงไหนครูหมอที่มาด้วยบอกอีกนะคะว่าของเนี่ยในหมู่บ้านไม่เคยมีมาก่อนเป็นของที่มาจากที่อื่นลิงลมที่เห็นเนี่ย ก็คือของอัปเปรมันแปลงกายมาพอครูหมอพูดจบมะพร้าวก็หล่นลงมากลางวงสนทนาเฉียดหัวหน้าสาวกับครูหมอไปไม่ถึงเมตรค่ะแต่กลับไปหล่นใส่หัวพ่อบุญธรรมจนสลบตอนนั้นครูหมอเดือดมากแกบอกว่าอุบะอหญิงเปรตหญิงชั่วนี่ของชาติบรรแรงเล่นกูกลางวันแสกๆเลย หลังจากนั้นแกก็เป่ากระหม่อมพ่อบุญธรรมสามครั้งแล้วพ่อบุญธรรมก็ฟื้นคืนสติมาเนียคะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ามะพร้าวลูกที่หล่นลงมาเป็นแค่มะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งคิดว่าเฮ้ยมันตกลงมาได้ยังไงคือมันแปลกมากครูหมอบอกให้หาของนั้นให้เจอภายใน3วันเพราะว่าอาถรรมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนั้นทุกคนก็ช่วยกันหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนคืนสุดท้ายค่ะ ฝันว่าไปขุดหลุมหน้าบ้านนะสาวตรงนั้นเป็นขั้นบันไดหนึ่งขั้นก่อนขึ้นชานบ้านหน้าบ้านก็ไปขุดเจอเงินเจอหอยเต็มไปหมดในฝันกลัวมากนะแต่ก็ยังขุดไม่ยอมหยุดพอเช้ามาก็เลยเล่าความฝันให้แม่ฟังแม่ก็เลยไปบ้านณสาวทั้งกระจมอกเลยบอกณสาวว่ารู้และว่าของมันอยู่ตรงไหนแม่บอกว่าคุณนักรันี่ฝันเห็น หลังจากนั้นนะคะน้าสาวก็เกณฑ์คนมาช่วยกันขุดค่ะแต่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอแต่ก็สั่งหอนใจอยู่ว่าต้องเจอแน่ก็เลยนิ่งๆอยู่แล้วก็บอกให้ลองเอาหมากพลูมาให้ผีบันพะบุรุษสิบ้านเรานี่มันมีของดีจะกกลัวมันทําไมซึ่งตอนนั้นคุณนัทกรบอกว่ารู้สึกงงเหมือนกันนะว่าพูดแบบนี้ไปได้ยังไงแต่ป้ากับลุงเขยแกก็รีบไปตั้งเส้นหมากพลูแล้วก็เอามาเคี้ยวแล้วก็บ้วนน้าหมากไปทั่วจนมาถึงจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ขุดค่ะ พอน้ำหมักกระเด็นไปโดนดินตรงนั้นกลายเป็นสีดําทัน ท, ทีทั้งทังที่ต้องเป็นสีแดงนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันขุดต่อขุดลงไปราว30เซนติเมตรก็เจอห่อผ้าดําครูหมอเอาเท้าเหยียบแล้วก็บ้วนน้าหมักใส่แล้วก็แก้ดูพบว่าข้างในนี่เป็นเหรียญเป็นกระดูเปลือกหอยตะปูแล้วก็เส้นผมตอนดึงห่อผ้าออกก็เลยบอกว่าเชื่อสิมันมีอีกครูหมอก็เลยหันหน้ามาแล้วบอกว่าอีเด็กนี่รู้ดีจริง แล้วแกก็เอาไม้เท้าไปเขียเข่ยๆก็เจอหุ่นฝังรูปฝังรอยมัดติดกันตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนในละครเต๊ะเมื่อครูหมอแกบอกว่ามั่นใจว่ามันคือของสกปรกที่ถูกเจอแล้วก็หมดแล้วครูหมอก็เลยสั่งให้น้าสาวนี่หาปิ๊บมาใบหนึ่งแล้วก็เอาของพวกนั้นใส่ไปในปิ๊บแล้วก็ราดน้ํามันกา๊าซจุดไฟเผาและแกก็หันมาถามบอกว่าอีรู้มากเกลอมึงไปไหนเรียกบานี่ไวๆ ก็เลยวิ่งไปตามฮันนี่ในห้องออกมาพอฮันนี่มาแกชี้หน้าด่าเลยค่ะแกบอกว่าโหมึงสองตัวนี่แสบหนัดคืนนั้นไปทำอะไรบ้านมันมันแค้นสู่จังแต่ว่ามันทำอะไรสู่สองคนเนี่ยไม่ได้คุณนัฐกรก้มหน้าก้มตาพร้อมกับพยักหน้า แบบประมาณว่าตอบรับว่าใช่ค่ะประมาณนี้แต่ไม่กล้าพูดออกไปแต่ว่าฮันนี่เนี่ยมันไม่กลัวใครค่ะนางบอกว่าก่อนออกจากบ้านอีนั่นเนี่ยนางกับคุณนัทกรเนี่ยขึ้นไปฉี่ใส่หมอนแล้วก็ที่นอนมันมาแถมด้วยการเตะหม้อข้าวหม้อแกงกระจายหมดก็เลยได้แต่พยักหน้ายอมรับครูหมอก็เลยบอกว่ามึงไปเยี่ยวใส่ทางปิ๊บมันใช่ไหมก็เลยถามถามฮันนี่ไปบอกเอ้าจริงดิ แต่ว่าฮันนี่รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำลงทุนฉี่ใส่ขันมาราชแถมยังหัวร้ออีกนะคะแล้วครูหมอก็บอกว่าให้เอาถังปิ๊บเนี่ยไปเททิ้งในป่าแต่พ่อบุญธรรมเนี่ยก็เลยอาสาไปทิ้งให้ตอนนั้นก็เริ่มโพร์เพลงแล้วหละนะคะแกเดินพลางเสียวสันหลังพลางแต่แป๊บเดียวก็กลับมาะคะแกบอกขนลุกตลอดทางเลย แต่หลังจากวันนั้นนะคะาสาวของคุณนัทกรเนี่ยก็ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าน่าสาวนี่เป็นคนจิตอ่อนก็ได้ของมันยังคงออกไม่หมดปวดเป็นเดือนๆไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นนิ้วต้องผ่าตัดแต่ว่าผ่าตัดแล้วก็ไม่หายค่ะมีอยู่วันหนึ่งหมอนัดนาสาวก็ไปกับน่าเขยขี่รถไปถึงโรงพยาบาล อยู่ๆก็มีรถมาวิ่งวิ่งมาชนเลยนะคะตัวของน้เขยเนี่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าณ้าสาวซี่โครงหักแล้วก็แขนหักคนที่ชนก็ลงมาดูบอกว่าเขาไม่เห็นว่ามีรถวิ่งมาจริงๆเลยนะคือมองไม่เห็นอะไรเห็นมันโล่งไปหมดหลังจากรักษาตัวอยู่นานาอาการก็ดีขึ้นน้าสาวก็เลยไปเรียกนายหินกับเมียมาถามเพราะว่าน้าเขยเนี่ยังไปขลุกอยู่ที่บ้านนั้นบ่อยๆน้าสาวก็เลยบอกสองผัวเมียว่ากล้าไหมถ้าให้สาบานน้าสาวก็เลยชวนไปวัดใกล้บ้านพาแม่ไปด้วย น้าอีกคนแล้วก็ป้าไปเป็นพยายนพอไปถึงค่ะน้าสาวก็จุดธูปให้ผู้หญิงคนนั้นสาบานแล้วให้พูดตามที่น้าสาวพูดพร้อมกับให้แม่ี่ไปเอาน้ำมนต์ที่หลวงพ่อมาน้าสาวบอกว่าถ้าหากเธอไม่ได้ทําของโสกรปรกเท่ากับน้าสาวใส่ร้ายเธอขอให้น้าสาวมีอันเป็นไปใน3าวัน7วันแต่ถ้าหากว่าเธอกับสามีทําจริงขอให้ชิบหายตายโหงในสาวัน7วันเช่นกันแล้วน้าสาวก็กินน้ำมนต์เพื่อสาบาน ผู้หญิงคนนั้นกับสามีก็กินโดยไม่ลังเลเหมือนกันเนะี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองมีของดีของแรงเอาอยู่เพราะว่าเขาไม่นับถือพระเขานับถือผีหลังจากนั้น7วันค่ะผู้หญิงคนนั้นเกิดอาการประหลาดคือท้องจะยุบแล้วก็พองตามน้ําขึ้นน้ําลงเป็นแบบนี้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งสามีของเธอก็วิ่งแก้ผ้าร้องไห้โวยวายออกมากลางถนนร้องบอกว่าช่วยเมียแกด้วยผีมันกินผีหลอกแกแกทนไม่ไหวเมียแกจะตายแล้วช่วยเอาส่งโรงพยาบาลที น้าสาวก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยจ้างรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลขณะนั้นสี่ทุ่มค่ะเมื่อยกผู้หญิงคนนี้ออกมาจากบ้านพอมาถึงรถที่น้ายืนอยู่ผู้หญิงคนนี้ตาเหลือกและสิ้นใจทันทีซึ่งขณะนั้นคุณนะักกรก็ยืนดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด สภาพนี่คือน่ากลัวมากตัวอืดๆพองๆหน้าเหี่ยวๆย่นๆตาโบสีผิวช้ำเลือดช้ำหนองไม่เหลือเขาความสวยเลยแล้วต่อมาไม่นานในหินก็เป็นบ้าส่วนลูกชายแกค่ะถูกฝั่งปู่ย่านี่เอาไปเลี้ยงดูณเขยก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาเมียแล้วก็บอกว่าแกไม่รู้ตัวเลยว่าที่ทําไปนี่ทําไปเพราะอะไรบางทีมันเหมือลอยควบคุมตัวเองไม่ได้ อาการที่นเขยเป็นก็เพราะว่าแกเนี่ยดันไปกินอาหารที่ผู้หญิงคนนั้นทําให้กินอาหารนั้นมันใส่ยาสั่งค่ะซึ่งเป็นยาสเสน่ห์ใส่ลงไปในกับข้าวส่วนนาสาวก็ให้อภัยเพราะว่าสาเหตุที่แท้จริงคือผู้หญิงคนนั้นร่วมกันกับสามีทําเพราะว่าอยากจะได้เงินจากนาเขยมันเห็นหนเขยมีเงินและก็ใจดีตอนนั้นที่น้าเขยโดนของก็หมดไปแสนเหมือนกันนะคะและหลังจากที่นังทูบตายก็เหมือนของจะเสื่อมไปด้วยอาการของนาสาวก็เริ่มหายเป็นปกติ จนทุกวันนี้บ้านของนาสาวก็อยู่ดีมีสุขนะคะขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณนัฐกรวิธานันด้วยค่ะเรื่องต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มาจากทางกัมพูชาเหมือนกันค่ะเรื่องที่จะเล่านี้มันเกิดมาประมาณ10กว่าปีเห็นจะได้ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกที่เกี่ยวกับคุณสามนดําที่เพิ่งจะเคยเจอมาครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของเรื่องนี้เป็นเด็กวัด วัดที่อยู่เนี่ยก็จะออกแนววัดป่าแล้วก็ไม่ค่อยมีสิ่งที่มีความอำนวยความสะดวกเท่าไหร่นักนะคะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะพิเศษกว่าเด็กวัดคนอื่นก็คือจะเป็นคนคอยดูแลพระอาจารย์คอยตามปฏิบัติท่านไม่ว่าจะในวัดหรือจะเป็นกิจนอกสถานที่เรียกได้เนี่ว่ากินนอนอยู่กับพระอาจารย์ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีอยู่วันนึงค่ะเจ้าของเรื่องกับพระอาจารย์เดินทางไปกิจนอกสถานที่ต่างจังหวัด หลังจากกลับมาได้ประมาณ3วันเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นวันนั้นพระอาจารย์ฉันเช้าเสร็จเหมือนทุกๆวันแต่ว่าอยู่ๆนะคะท่านก็รีบเดินออกจากโรงฉันแล้วก็บอกว่าจะมีคนมาหาเป็นเรื่องด่วนให้ไปเตรียมตัวในกุฏิไว้ให้ด้วยหลังจากนั้นก็มีคนมาจริงๆค่ะแต่ว่ามากันทั้งครอบครัวเลยนะขณะที่กําลังเช็ดกุฏิอยู่ก็มีรถกระบะขับเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิพร้อมกับมีผู้ชาย3าคนลงมาจากรถแล้วก็เดินไปท้ายกระบะ เจ้าของเรื่องเห็นเขาแบกร่างผู้หญิงคนหนึ่งลงมาแล้วก็ตะโกนเรียกหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่หน้ากุฏิพระอาจารย์ท่านก็บอกให้เจ้าของเรื่องเนี่ยไปบอกพวกเขาให้ขึ้นมาที่กุฏิได้เลยพระอาจารย์อยู่จะเป็นคล้ายๆกับกระต๊อบ น, นะคะจะมีบันไดขึ้นเพียงสองขั้นเท่านั้นแต่ว่าพวกเขากลับขึ้นกุฏิไม่ได้เขาบอกว่าพยายามก้าวขาแล้วแต่ขามันไม่ไปพระอาจารย์ก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวอาตมาลงไปเอง พอพระอาจารย์เดินลงจากกุฏิไปค่ะอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับไม่มีเรี่ยวแรงก็กระโดดลงจากการอุ้มของพวกผู้ชายแล้วก็กระโดด3ทีขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคารถกระบะขึ้นไปยืนจริงๆนะคะพระอาจารย์เลยพูดว่าลงมาเถอะเขายังไม่หมดกรรมอย่าทําแบบนี้เลยมันไม่ดีผู้หญิงคนนั้นก็เลยพูดบอกกูบอลงไปดอกพระอาจารย์บอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมมันให้กูแล้วกูลงไปมันก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าจะตายก็ให้ตายตอนที่อาตมาช่วยก็แล้วกันโยมจะได้ไม่ต้องสร้างเวรหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดลงมาจากหลังคารถนะคะเจ้าของเรื่องซึ่งเป็นเด็กวัดในตอนนั้นค่ะเห็นพระอาจารย์ท่านยืนสวดมนต์อยู่แป๊บหนึ่งก็บอกพวกผู้ชายให้เอาผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปบนกุฏิพอเอาผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปบนกุฏิได้แล้วพระอาจารย์ท่านก็สั่งให้ไปเอาใบตองที่ใส่ข้าวมาพอเอาใบตองใส่ข้าวมาให้พระอาจารย์แล้วท่านก็บอกว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยว่า อาตมาขอผ้าของโยมสักผืนได้ไหมแม่ผู้หญิงคนนั้นก็รีบไปหยิบเสื้อของเขาในรถมาให้หลังจากอาจารย์แกใช้เสื้อเช็ดใบตองแปลกมากคุณผู้ฟังจากเสื้อสีขาวเนี่ยพอเช็ดใบตองกลับมีสีดําติดเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งท้งที่ใบตองที่หยิบมาเนี่ยก็ไม่ได้เลอะอะไรแล้วพระอาจารย์ก็ยื่นใบตองนี้ให้กับแม่ของผู้หญิงคนนั้นแล้วบอกให้เอาไปเช็ดตัวให้เช็ดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยนะ พ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็เช็ดจนเสร็จค่ะผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับน้ำเหลืองน้ำหนองนี่ไหลออกมาตามตัวกลิ่นเหม็นมากทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างพากันเอามือปิดจมูกแล้วก็เบือนหน้าหนีกันน้ำเหลืองเริ่มไหลออกจากปากออกจากจมูกออกจากตาแล้วก็ตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดพระอาจารย์ท่านเห็นแบบนั้นท่านก็บอกว่าพวกโยมยังกลับไม่ได้หรอกให้อยู่ที่นี่อีกสักสองสาวันนะเขามารอทวงกันแล้ว หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ให้เจ้าของเรื่องไปเตรียมกุฏิแล้วก็ศาลาแล้วก็ให้พาพวกญาติเนี่ยไปนอนที่กุฏิส่วนผู้หญิงคนนั้นให้นอนบนศาลาแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นี้นะคะพอตกกลางคืนค่ะทุกคนก็วิ่งวุ่นหาพระอาจารย์ที่กุฏิพวกเขาบอกกับพระอาจารย์ว่าอยู่ไม่ได้แล้วหลวงพ่อตอนที่พวกเขากาลังนอนอยู่เนี่ยรอบกุฏิมันมีเสียงเดินลากท้าเสียงเล็บขูดไม้พอเสียงเงียบ ก็มีเสียงผู้หญิงหลายคนโผล่หน้าเข้ามาในหน้าต่างเต็มไปหมดพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอัตมารู้แล้วแต่เขาทําอะไรพวกโยมไม่ได้หรอกเขาแค่มาให้รู้ว่าเขารออยู่ถ้าโยมนอนที่กุฏิกันไม่ได้ก็ให้ไปนอนรวมกันกับโยมผู้หญิงที่ศาลานะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็ย้ายไปนอนกันที่ศาลาแต่ต้องนอนทนกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากตัวผู้หญิงคนนั้นนะ จนกระทั่งตอนเช้าเขาก็รีบพากันมาหาพระอาจารย์แล้วบอกว่าพวกเขาทนไม่ไหวนะโดนผีหลอกทั้งคืนเลยพระอาจารย์ก็เลยบอกพวกโยมกลับตอนนี้ไม่ได้เขาเอาตายแน่เขารอพวกโยมอยู่หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ให้พาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปอาบน้ำมนต์ค่ะพออาบไปได้ครึ่งโอคง์ผู้หญิงคนนั้นเริ่มคืนสติแล้วก็พูดซ้ําๆว่ากลัวแล้วกลัวแล้วพระอาจารย์ก็เลยพูดว่าโยมก็รู้นี่ว่าสิ่งที่โยมทําเนี่ยมันไม่ดีสิ้นเสียงพระอาจารย์ ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้แล้วก็ก้มลงกราบพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าพวกโยมทั้งหมดก็รู้สิ่งที่ทำผลมันเป็นยังไงทําไมถึงสนับสนุนกันละ่ะแต่ทุกคนพากันเงียบค่ะมองหน้ากันไม่พูดอะไรพระอาจารย์ท่านบอกว่าอาตมาจะช่วยแต่อย่าทำแบบนี้อีกให้เลิกทำซะนะหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็เริ่มทาพิธีสวดท่านก็สวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น ตอนที่กําลังสวดอยู่เนี่ยเจ้าของเรื่องสังเกตเห็นคนพวกนั้นทำท่าทางตกใจแล้วก็บอกว่าเห็นผู้หญิงมานั่งกันที่ท้ายรถมากันหลายคนผู้หญิงพวกนั้นบอกว่ามาสิเดี๋ยวกูจะช่วยพวกมึงเองมาสิจนพวกเขากลัวเหมือนกับสติแทบจะหลุดออกมาเลยนะคะหลังจากเสร็จพิธีแม่ของผู้หญิงก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังบอกว่าพวกเขาเนี่ยไปได้น้ามันพลายมาจากเขมรแล้วก็เอามาให้ลูกสาวใช้เพื่อเอาไว้ใช้กับพวกผู้ชายรวย พอผู้ชายพวกนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกนั้นก็จะเริ่มเพี้ยนจนเป็นบ้าพวกเขาก็คิดว่ามันทำง่ายนะคะได้ทรัพย์สินมาง่ายๆแต่สุดท้ายค่ะของมันกลับมาเข้าตัวลูกสาวแล้วบ้านที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะผีมันเข้าไปอยู่เต็มไปหมดนอนกันไม่ได้เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาให้หลวงพ่อช่วยพระอาจารย์ได้แต่รับฟังแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็กลับได้แล้วละ่ะ แล้วพระอาจารย์ก็ให้น้ำมนตแล้วก็บอกว่ากลับไปเนี่ยเอาน้ำมนตไปใส่ตามตุ่มน้ําแต่อย่าเพิ่งเข้าไปอยู่ในบ้านล่ะรอจนครบเจ็วันแล้วค่อยกลับเข้าบ้านได้เพราะว่าผีพวกนั้นจะเริ่มอยู่ไม่ได้พวกนั้นเขาจะคิดว่าไม่ใช่ที่เดิมของเขาแล้วพอเช้าอีกวันผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มมีอาการดีขึ้นค่ะทุกคนเข้ามาหาพระอาจารย์แล้วก็ลากลับไปเจ้าของเรื่องนะคะก็ถามพระอาจารย์ว่า เขาทำไม่ดีทำไมต้องช่วยเขาพระอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ช่วยเขาแต่เราช่วยผีให้ไม่ทำเวรต่อไปอีกจะได้ไปในที่ที่ดีส่วนพวกนั้นเนี่ยก็จะได้รับเวรรับกรรมของเขาเองขอบคุณเรื่องเล่าจากสมาชิกเพจเรื่องเล่าผีอ่านเรื่องผีคนชอบเรื่องสยองขวัญ Facebook คุณอะไรนะนะคะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังประจําพระเจอผีในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วละค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วก็กําลังใจในการคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะลาคุณผู้ฟังไปเจเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ